มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาปัญจมวกักอตตะนิปาตนะปัญหาที่สามถามว่าห้ามไม่ให้ทําตนให้ตกไปโดยอัธรรมแล้ว mm hmm. เหตุไรแนะนำให้ตัดความเกิดแก่เจ็บตายราชา สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชปุชชาถามพระนาคเษนสืบไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาภาสิตังปิเหตังภควตาคำนี้สมเด็จพระมหากรุณาเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่าภิกเวดูรานะภิกษุทั้งหลายท่านอย่าพึงให้กายตัวของท่านตกไปโดยอาธรรม แม้ท่านจะปรารถนาที่จะให้กายตัวของท่านตกไปนั้นพึงกระทาให้ควรแก่ธรรมตรัศนีแล้วปุณะจัครั้นนานมาใหม่เล่าสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าเมื่อมีพระพุทธดีกาแก่สาวกทั้งหลายกลับทรงแสดงธรรมแนะนาให้ตัดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเสียสาวกรูปใดก้าวล่วงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้ กตรัสสรรเสริญสาวกรูปนั้นยิ่งนักหนาโยมมารำพึงดูคำทั้งสองนี้ไม่ต้องกันคำเดิมนั้นว่าอย่าให้ตนตกไปคำที่หลังสอนให้ตัดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายปริศนานี้นับในอุพัโตโกติจงโปรดวิสัชนาให้โยมแจ้งก่อนพระนักเสนถวายพระพรวิสัชนาว่าภาสิตังเจตังมหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่าอย่าพึงทําตนให้ตกไปโดยอาธรรมพึงให้ตกไปโดยธรรมแล้วทรงแสดงธรรมแนะนําให้ตัดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเสียนั้นมีเหตุอยู่บางแห่งพระบรมครูก็ทรงห้ามบางแห่งก็ทรงชักนําตามควรแก่เหตุ มหาราชฯขอถวายพระพรบ๊บพิษพระราชสมภารธรรมดาว่าท่านผู้มีศีลย่อมดับพิษแห่งกิเลสอคัตะสโมเปรียบดังยาอันดับพิษไข้ถ้ามิฉะนั้นโอสถะสโมเปรียบด้วยตัวยาวิเศษอันจะดับเสียซึ่งโรคคือกิเลสแห่งสัตว์ทั้งหลายถ้ามิฉะนั้นอุทกะสโมเปรียบดุดอุทะกังอันเย็นใส จะล้างลอยซึ่งรัโชชละเหงือใครเครื่องหมักหมมในกายกล่าวคือกิเลตนั้นมิฉนั้นมณีรัตนะมาโนหระสโมเปรียบดุดแก้วมณีมีนามชื่อว่ามาโนหระจินดาย่อมจะให้สําเร็จความปรารถนาทุกสิ่งทุกอันนาวาสโมมิฉนั้นเปรียบดุดหนึ่งสำเพาอันใหญ่จะข้ามให้พ้นจากโอคะทั้งสี่ ถ้ามิฉะนั้นสัทธาวาหณะสโมเปรียบเหมือนเกวียนอันจะเข็นข้ามให้พ้นจากจัตุรกันดาลคือชาติชราพยาธิมรณะถ้ามิฉะนั้นวาตะสโมเปรียบดุลลมย่อมจะพัดกมจัดดับเสียซึ่งเพลิงทั้งสามคือราคขีโทสัขีโมหักขีถ้ามิฉะนั้นมหาเมฆอุธิสโม เปรียบดุจฝนห่าใหญ่อันจะให้สำเร็จซึ่งความปรารถนาแห่งสัตว์ทั้งปวงอาจริยะสมโมถ้ามิฉนั้นเปรียบานดุจอาจารย์จะสอนสิทธิ์ให้ศึกษาสิ่งที่เป็นกุศลเทศิตะสมโมถ้ามิฉะนั้นดุจบุคคลบอกทางแก่คนหลงทางให้ไปพบทางอันกเกษมเอวะรูปังมหาราชะ ภาหุคุณังอเนกะคุณังขอถวายพระพรอันว่าบุคคลประกอบด้วยสีนี้มีคุณเป็นอันมากมีคุณเป็นอนเนกเป็นกองคุณเป็นคุณอันยิ่งและเป็นที่จะยังสัตให้จำเริญอายุมิให้สัตฉิบหายด้วยภัยทั้งสี่เหตุฉนี้สมเด็จพระมหากรุณาเจ้าจึงบัญญัติศึกขาบท มิให้ภิกษุฆ่าตัวให้ตกไปด้วยอธรรมแม้จะให้ตัวตกไปนั้นพึงให้ตกไปโดยธรรมสมควรแก่ธรรมคือตายด้วยศีลอย่าทาลายศีลให้เป็นศีลเพศนี่เป็นเหตุที่มีพระพุทธดีกาตรัสบัญญัติห้ามมิให้กระทาในการนั้นมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารที่ว่าทรงชักนำนั้น คือพระองค์ทรงชักนำให้ภิกษุทั้งหลายปฏิบัติตามกระแสพระธรรมเทศนาสมด้วยคำที่พระกุมารากัสปะเทระผู้แสดงปรารกแก่พระเจ้าปายาสิราชัญญะอันเป็นมิจฉาทิฐิกล่าวไว้ว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิทพระราชสมผานผู้ประเสริฐสมณะพรามทั้งหลายศีละวันโตกัลยานธรรมามีศีล มีเจต น, นาเป็นกุศลกัลยาณธรรมย่อมตั้งอยู่ในโลกได้นานท่านย่อมปฏิบัติเพื่อจะให้เป็นหิตานุหิตะประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์นิกรทั้งปวงดังนี้มหาราชะขอถวายพระพรประการหนึ่งชาติปิแม้อันว่าชาติแห่งสัตว์อันเกิดมาเป็นรูปเป็นกายนี้ใช่จะเกิดมาง่ายๆ ลำบากนักหนาทุกขาย่อมประกอบด้วยทุกชาราปิทุกขาอันหนึ่งเล่าแกชาราลงแล้วร่างกายคร่ำคร่าสุดโทรมไปก็ย่อมประกอบไปด้วยทุกพยาธิปิทุกขาอันว่าเป็นโรคาพาดพยาธินิเล่าก็ย่อมประกอบไปด้วยทุกมรณงปิทุกขังเมื่อจะตายนั้น ก็ย่อมประกอบไปด้วยทุกโศโกโคือโศกเศร้าถึงที่รักนั้นก็ประกอบด้วยทุกข์ปริเทโวความควรวญคร่ำร่ำไรด้วยพลัดพรากจากที่รักนี้ก็ประกอบไปด้วยทุกข์โทมนัตโสความโทมนัตน้อยใจก็เป็นทุกข์อุปายาโสให้สะอื้นอกขับใจด้วยจากที่รักที่ใคร่เป็นต้นว่า บุตรพัญยาสามีมารดาบิดาคนาญาติมิตรสหายอันตายไปสู่บรารโลกนั้นย่อมประกอบด้วยทุกอันหนึง่งสมเด็จพระสัพพัญญูผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสพระสธรรมเทศนาไว้โดยในเป็นอันมากยุติด้วยพระบาลีเป็นต้นว่าอัปปเยหิสัมปโยโคบุคคลเสพสมาคมด้วยชนอันเป็นศัตรู และชนอันมิได้เป็นที่รักที่ใครย่อมจะได้ทุกขเวทนาพิเยหิวิปโยโคอันหนึ่งเล่าถ้าว่าพลัดพรากจากที่รักนั้นย่อมจะประกอบด้วยทุกอันหนึ่งเล่าถ้าว่าบิดามารดาตายบุตรทิดาตายญาติมิตรธาตกรรมกรตายหรือญาติถึงความฉิบหายวอดวายนี้ก็ย่อมประกอบด้วยทุก โลคพยสนังฉิบหายด้วยโรคาพยาธิก็ประกอบด้วยทุกข์โควคพยสนังฉิบหายจากเครื่องบริโภคคือของกินฉิบหายจากเครื่องอุปโภคคือสมบัตินอกจากสิ่งของซึ่งกินได้นี้ก็ย่อมจะได้ทุกขศีละพยสนังฉิบหายจากศีลที่สมาทานนั้นก็ย่อมจะได้ทุกตรอมใจ ด้วยกลัวภัยจะไปตกในจตุราบายประการหนึ่งภัยทั้งหลายมีเป็นอันมากราชาพยังคือราชภัยอันบรมกษัตริย์จะลงราชทันอายาควรจะฆ่าก็ฆ่าเสียโจระพยังคือภัยโจรปล้นสะดมลอบลักเอาทรัพย์ให้ชิบหายอคิพยังคือภัยแต่เพลิงไหม้เรือนให้ชิบหาย อุทกะพยังคือฆ่าขายด้วยสมเภานาวาแตกถลายบางทีทำไรท่ทำนาน้ำท่วมเสียให้ฉิบหายอุมมิพะยังัยแต่คลื่นละลอกซัดให้เรือแตกถลายและท่วมพัดนาวาบ้านช่องและเครื่องใช้สอยไปกุมพิพยังภัยแต่จระเข้เหล่าร้ายอันจะขบกัดให้ถึงแก่ความตายอาวัตตะพยัง ภัยให้ตายด้วยสายน้ำวนสุงสุมาระพยังภัยแต่ปลาฉนากฉลามมีเขี้ยวงาอันร้ายอัตานุวัฒพยังภัยอันเนื่องมาเพราะตนกล่าวถ้อยคำอันมิได้เป็นที่พึงใจปารารุวาฒพยังัยอันเนื่องมาแต่ผู้อื่นก็พลอยชิบหายด้วยกันทันดะพยังภัยแต่อายาทุคติพยัง ภัยแต่จะต้องเสวยทุกข์ในทุกคติอชีวีกะพยังภัยแต่ความมีชีวิตเป็นไปไม่ได้ถึงแก่ความตายล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นและการตัดมือและเท้าหูเจมูกปากและอวัยวะส่วนอื่นเป็นต้นก็เป็นทุกข์เหมือนกันสัตว์ผู้เวียนวนอยู่ในสงสารวัตรย่ยอมได้เสวยทุกมีระการต่างๆหลายชนิดเช่นนี้ มีอุปมาเหมือนน้ำที่ตกลงในภูเขาหิมพ า, านแล้วไหลหลั่งไปสู่แม่น้ำย่อมพัดเอาหินและกรวดและไม้แห้งและกิ่งไม้รากไม้น้อยใหญ่ในป่าให้ไหลลอยเป็นสวะมาสู่แม่น้ำอัดแอเป็นแพรไปจนกลบฝั่งคับข้างอยู่เป็นอนเนกสุดที่จะนับจากขณาณายะถามีครุวนาชันใด อันว่ามหาภัยสแปและกรรมกร32สองซึ่งมีอย่างเป็นอันมากนี้ผู้ที่ยังเวียนว่าอยู่ในสงสารจะต้องเสวยทุกประการเหมือนหินและกรวดเป็นต้นอันถูกน้ำพัดไปสู่แม่น้ำฉะนั้นมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเมื่อชาติชาราพญาธิมรณะ ยังปรากฏเป็นไปอยู่ย่อมมีแต่ความทุกข์ภัยเป็นอันมากไม่สามารถทำมรรคผลและพระนิพพานให้แจม่มแจ้งได้ต่อเมื่อดับชาติชาราพยาธิมรณนะได้แล้วจึงจะมีความสุขและกระทำมรรคผลนิพพานให้แจม่มแจ้งได้เพราะฉะนั้นสมเด็จพระจอมไตรบรมบโลกุตตมาจารย์จึงทรงชักชวนแนะนาให้สาวกลูงชาต ชราพยาธิบระนั้นเสียมหาราชะดูราณะบอพิด้วยเหตุดังถวายวิสัชนามาชะนี้สมเด็จพระมหามุนีบรมศาสดาจึงตรัสห้ามบ้างทรงชักนำบ้างคือพระองค์ทรงห้ามแต่ในทางที่ไม่ควรทำทรงชักนำในทางที่ควรทำจะได้ห้ามและชักนำทั่วไปหาไม่ได้ ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้ทรงพระสมนาการฉนี้ก็สาธุการชื่นชมนิยมปรีดาอัตตนิปตาะปัญหาเป็นคำรบสามจบเพียงนี้